ก็จะมาพูดเรื่องกายเรื่องใจนะโยมมีสติไมโยมมีกายก็มีใจก็มีฉะนั้นเรามาพูดเรื่องตรงนี้พูดเรามาเจริญสติเราต้องยึดหลักของ บ, บุรุษเจ้าโดยฤที่บอกว่าสติปัฏฐานสี่นายโยมสติปัฏฐานสี่คือกายานุปัสสนา เวทนาโนปัสนาจิตานุปัสนาธรรมานุปัสนาแล้วให้ถ้าเราไม่มาท่านพระอาจารย์มาสุรินทร์ตอนพูดย้ำบ่อยๆว่าให้มีสติมีสติมีสติอย่างเดียวนะมีสตินี่แหละไม่ต้องไปรู้อย่างอื่นดอกเพื่ออะไรเพื่อให้มันได้เป็นหลักเพื่อให้มันเป็นฐานเมื่อมีหลักมีฐานแล้วมันจะไม่หลงเนื้อรู้แค่กายารัตว์ศาสนาอย่างเดียวนี่ แล้วท่านนั้นพูดีว่าอย่างหนึ่งว่าท่านพระอาจารย์มาดิเรกไปบอกท่านที่ตอนท่านคิดนะท่านบอกว่าดูด้วดูแบนั้นดูหลายๆอย่างดูนะโอ้อาจารย์แค่เดินสิเก้าจะให้รู้ทุกเก้าเราจะรู้ไม่ได้เลยจะให้ไปดูอะไรอีกนั่นแหะคือท่านมั่นคงในเรื่องของกายันุปจนนากายานี่โดยเอาความรู้สึกทุกเก้าทุกเก้าทุกเก้าเนี่ยทำยังไงเราจะได้ ทำยังไงเลยจนมีความรู้สึกอย่างนั้นถ้าทำได้นะอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงเพราะอันนี้คือเหตุส่วนเวทนานุปัสสนาเป็นผลนะถ้าเราเหตุไม่ดีเนี่ยวลาปวดแข้งปวดขามาก็ห น, นดไม่ได้ดอกมันไม่จบนะมันไม่จบมันไม่จบแล้วก็อีกสุแล้วไม่ต้องพูดถึงว่าจิตตานุปัสสนาเดี๋ยวนี้เราพูด่าเห็นกายดูกายเห็นจิตดูจิตเนี่ย ถ้ากายานุปสนายัางไม่ชัดแล้วเนะี่ยไปดูจิตมีแต่หลงโยมแล้วอารามานี่คือมีโอกาสโยมเขาบังคับเลยเขาบังคับให้เปียนพระครูแล้วก็บังคับให้ไปปฏิบัติธรรมสี่สิบห้าวันนี่ยโยมปฏิบัตยิยกหนอพองหนอเนี่ยมันมันจึงได้มีโอกาสโยมเข้าใจว่าเข้าใจ ถ้าเขาไม่บังคับไป45วันนี่อรัตออดามาจะไม่มีโอกาสรู้เรื่องของสติหรือหลวงพ่เทียนบอกว่ารูปนามครั้ง 37, ที่สองรูปนามครั้งแรกปี37ที่ได้มาได้ปี37นะครั้งที่สองปี2559ห่างถึง22ปีโยมแล้วหลวงพ่เทียน ใครเคยฟังหลวงพ่อเทียนร่วมนามของท่านได้นานเท่าไหร่โยมสองวันได้ครั้งที่หนึ่งปุ๊บวันที่สองมาแล้วรวมนามมันที่สองมาแล้วท่านใดสติจึงชัดเจนเมื่อสติชัดเจนนี่เห็นสภาวะสภาวะของสติชีอมันไปบอกเราเนี่ยไม่สังเกตนะโยมนะเราเวลาปฏิบัติเนี่ยยสังเกตไหม เวลาลยอยากทําอะไรคนที่ทาํามากๆเนี่ยทำเดินทําวาเพียร ม, มากๆมันจะมีตัวหนึ่งบอกเอ้าไปนอนทำมาหน่อยมานา้าแล้วไปนอนอีกตัวนึงนี่บอกมานอนายังไงฮะเรามาปฏบัติธรรมมานอนอยังไงเราต้องไปเ ป, ปดด็นบัดิเนี่ยแล้วเราทําทำเราทำทำอะไรตัวนี้แหละโยมที่หลวงพ่อเทียนพูดว่าท่านได้อารมณ์ครั้งแรกท่านเห็นอะไรโยมเห็นการละอาบายมุข หลวงพ่ทียนบอกงไงหลวงพ่ทียนั่นนะอยากคือของเก่าๆนะอันนี้มันเป็นเป็นเรื่องว่าอารมณ์เนี่ยโยมถ้าเรามีสติจริงๆเราจะเรียงลำดับอารมณ์ได้เลยว่ามันเป็นอารมณ์อดีตอารมณ์อดีตเลยคือท่านติบุหรี่ใช่ไหมพอติบุหรี่ปุ๊บเวลาปฏิบัติธรรมอยู่อยากสูบบุหรี่ท่านบอกว่าเออลองสูบบุหรี่บางจากน้อยก็นนะพเพราะอาจจะคุณสูบนีไมสูบมาได้แล้วก็จุดไฟอะ่ะ หลวงพ่อเทียนพูดอย่างนี้ใช่ไหเอ้ามึงนีนจุดเป็นยังเอ้ามึงติดมาแต่เทอดายแล้วหลวงพ่อเทียนพูดอย่างนี้ด่าตัวเองเลยทีนี้มึงไปติดอบายจะมละได้แตงเกนั้นตอนนั้นมาเลยตัวที่มันถามตัวที่มันตอบตัวนี้ถ้าการยานอปสนาใครชับตัวนี้ไม่ต้องมีคนสอนเลยมันจะบอกมันจะไปมันเถียงกันอยู่ในใจเราเนี่ยมันเถียงกันเถียงตัวนึงบอกให้ไปอีกทางนึงอีกตัวนึงจะบอกให้มาในทางที่ดี สังเกตไหมมีนะพวกเราเดินมามากๆแล้มันมีมีทุกคนนั่นแหละแต่เราไม่สังเกตทีนี้เราไม่สังเกตก็เพราะอะไรเพราะกายานุปัสนามันไม่ต่อเ น, นื่องเราไปหลงเอาความรู้อันนี้เป็นรูกอันนี้เป็นน้ำไปหลงสมมติเนี่ยเอาสมมตเิเป็นนุเนี่ยรู้ตัวนี้เป็นรูกตัวนี้เป็นน้ำไม่ต้องไปให้รู้ขนาดนั้นหรอกโยมถ้าเรารู้เรื่องกายานุปัสนาแล้วเนี่ย เคยเอามาทั้งเอามาข้ามตัวเวทนาไหมเดินปวดแข้งปวดขาเนี่ยเดินจนกระทั่งมันหายเนี่ยทำได้ไหมถ้าถ้าขยานุนปัสสนาชัดนี่หายนะอดัมามีโอกาสบอกว่า49วัน4ี่วันที่อมาก็45วันที่ตั้งแต่วันที่23พฤษภาจนถึงวันที่ห กรกตะดาปีห้าเก้าเขาให้ไปไปปฏิบัติทำสี่สิบห้าวันยุบหน่อพงหนอในศาลามีอสี่จังหวัดของภาคเหนือมีสี่จังหวัดคือคือโคราชบุรีรัมสุลินและไชยพงศ์ปร๊บหน่องหน่อเนี่ยจะมาไปปฏิบัติตั้งแต่ปีห้าสองแล้วครั้งหนึ่งสิบห้าวันที่จะจะมามาในหวังว่าจะมาเจออลองเจ้าอาวาสหรือพระเทพพระเทพสุตติเมธีแหละบุญเรียนเก้าพยู เพราะว่าท่านอยู่ไปเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจําภาคสิบอยู่ที่จังหวัดอุบลอำเภอ ร, ร้างมิง่งบ้านสร้างมิ่งไม่ใช่อำเภอบ้านสร้างมิง่งอาตมาเคยไปเก็บสิบห้าวันไม่ได้อะไรเนี่ยจำเกศสามยังไหวจะจําจไม่ได้เลยพราเดินแค่เดินนี่ก็จะล้มเดินซ้ายเดินขวาจะล้มแต้สี่สิบห้าวันที่อาตมามาครั้งนี้โอ้โหผลมหาสาลเลยผลมหาสารเลยแปดวัน ทีนี้เราจะปฏิบัติง่ายหรือปฏิบัติยากเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นี่ยิ่งคนมากๆเนี่ยยิ่งมีประโยชน์มากนนะอันารายเจ็ดสองคนในในสี่จังหวัดที่ร่วมกันในห้องเอด้วยเต่ดมาไม่ไม่ได้เย็เนร้อยไหลเดินกระดานสองกระดานเออกระเบื้องสองแผ่น8ปดสิบเซนเน่เดินสวนกันไปสว น, นมาเขาจะให้ขวาย่างนอซ้ายย่างนอยกนอเหยียบนอะ แวันจําได้หมดตอนที่ไปทีแรกสิบห้าวันจำไม่ได้สิบหกยังวานี่จำไม่ได้เลยแต่พอเรามาตั้งใจเรีนแล้วทีนี้เขาบอกแหหเลยการบอกว่ายกนอพ่องน้องเนี่ยเขาจะสอนให้ไปดูจิตนะอาจมารู้ตอนที่เราสอนให้ดูจิตแล้ว เ, เนี่ยกําหงดูน่ยดูดูดูลู่เลยโอ้มันสอนให้ดูจิตนะน่าน่ย สอนให้ดูจิตก่อนพรมันทิ้งฐานแล้วมันไม่มีฐานมันไม่มีกายานุปัสสนาเมื่อไม่มีกายานุปัสสนาเนี่ยไปดูจิตไม่ได้ร้อยทั้งร้อยหลงปฏิบัติไปประเดีไปเนี่ยหลงเลยทีนี้อามาเดินอยู่ในในสาาเนี่ยพอควรได้เจ็ดแปดวันได้หกอย่างวะได้ทุกอย่างวันแล้วกำหนดไม่ใช่ไปมันทำตามเขานะ เขาครูพวกสอนวิบัติศนาเขาบอกก็ให้ให้กําหนดดูดูดู ด, ดทีนี้อตาตมาไม่ดูไม่ดูเหมือนเขาไม่ไปดูจิตแต่ดูกายดูเท้าสัมผัสพื้นเนี่ยแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยเอาตรงนี้พอเอาตรงนี้มันชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นนะอนตาตมายอยู่กับหลวงพ่อจรัญสิบกว่าปีหลวงพ่อจรัญจะพูดตลอดเลยโอ้กายานุปัสสนาอกตัญมันไม่ชัด สติมันไม่ชดัดกายนนานุปทานไม่ชดัดสติไม่ชดัดไปไม่เป็นไม่เป็นเมื่อไปไม่เป็ี่นนี่ก็ไม่รู้ทางที่จะไป ไ, ไปเก็บอารมณ์ป่าสกตก็เหมือนเด็กเล่นนี่แหละแต่พอมาหยุดหนอพองหนอนี่เข้าไปในสถานที่คนเยอะๆเนี่ยอันมานั่งอันดับที่หกนะอัชนะก็าจะนับมาจากนี้อันดับที่หกยี่สกว่าพรรษา ได้ระับที่หกข้างหน้าเขาเลยแล้วจะอยู่ต่อหน้าอาจารย์สอนกรรมฐานตลอดนั่งอย่างเมียยงอาสนะนานานี่เนี่ยนั่งนั่งอยู่ในแนที่ปฏิบัติอาสนะนานาเนี่ยมันไม่เป็นอะไรนะพอเรารู้หมดพอเราจับได้หมดแล้วคิดว่าเอ้ยรุ่หนอพ่องหนอหกจังหวะเราทําได้หมดแล้วต่อไปเขาจะสอนเรื่องอะไรเหมือนกับเขารู้ว่าเราเราเร า, เราปฏิบัติเพราะวัฏหลังไห ยายที่ย้ายที่ <c oughs> ่ให้นั่งอาสนะนานๆแล้วทีนี้ไปนั่งว่าอาสนะบางๆกับพื้นปรพื้นกระเบื้องโอ้ยนั่งไปแค่สองชั่วโมงนั้นแหละโยมปวดเนอะปวดเนอะปวดเนาะนั่ ง, งยังไ ง, งก็ไม่หายปวดนะสองชั่วโมงเนี่ยมันปวดเดือนั้น่แต่ไม่ขยับอันนี้ประสบการณ์แบบนี้แหละโยมพอเราไม่ขยับตึด๊ดพอได้สองชั่วโมงลุก ลุกนะลุกไปเดินเลยลุกไปเดินพอไปเดินปั๊บพอเรามีสติพอทา้าสัมผัสเพื่นปั๊บปไอ้ที่มันปวดเมื่อกี้หายหมดเลยหายหายหมดเลยนะแม้กระทั่งนั่งอยู่นแม้กระทั่งปฏิบัติเนะี่ยปฏิบัติคือเขาปฏิบัติหลายคนเขาก็เหมือนเขาก็ไม่รู้ว่าคนไหนคนเก่าคนไหนคนใหม่ใช่ไหมนั่งยุบหนอพองหนอเขาจะบอกว่าวิธีการสอนเขาจะบอกว่าถ้าคนเดินจงกลมสามสิบนาทีคุณก็ต้องนั่ง สามสิบนาทีกำหนดท้องยุบท้องพองสามสิบนาทีเหมือนกันก็เดินสามินาเพื่ออะไรเขาเขาบอกว่าเพื่อให้สติกับสมาธิบาลานซ์กันเขาบอกอย่างนี้นะออตอนนเรเฉียงเนี่ยนะไม่ใช่อันนี้ฟังให้ดีนะยมอย่าเอาถูกเอาผิดกับสภาวะที่เราเห็นเนะี่ยอย่าเอาความถูกความผิดมาถ้าเราเอาความถูกความผิดมาเนี่ยมันจะเกิดเรียกว่า ความไม่เชื่อมั่นในการปฏริบัติเหมือนกันโยบอั น, นมาเนี่ยเวลาเดินยจงกลมอยู่เนี่ยอยู่กับหลวงพ่อจะจรันให้เก็บอลรมณ์พอเดินจงกลมไปตรงเดินกลมมาเนี่ยเราไม่รู้เร า, เร า, เ, ราเราดูไม่เป็นเนี่ยปวดหัวปวดยังมากเลยหลวงพ่อจะรันมาว่าไงเฮย้ยแฉปวดห่วเดินจงกลมใส่มันเลยจีบจใยบ้าแล้วหลวงพ่อจะรันนี่บ้าเลย เห็นไหมย่อะไรคนปวดหัวก็ต้องไปจินมจ่าไปหามหมอดิมาบอกก็เดินลงกรมใส่อุย้ยบ้าหลงวงพ่อเห็นไหมโย่เราคิดแบบนั้นเลยเราเวลาเราเจ็บเราปวดเราเดินลงกรมปวดแค่เดินใส่เลยเดี๋ยวก็หายถ้าสติชัดเนะี่หายแต่พออาตมานี่คิดแบบนั้นกินแต่ไม่โกรธแต่ไม่หนีหลงวงพ่อจะรัญ น, นะด่ายังไงก็ไม่หนีว่ายังไงก็ไม่หนีนะ อัดมาโกรธขนาดไหนก็ไม่หนีนะไม่หนีพ่อเลยเลยเพรา ะ, ะร เ, เห็นคุณค่าเวลาเวลามันโกรธป๊อโกรธยังหัวฟัดหัวเวียงเลยคิดจะหนีด้วยซ้นะําหลวงพ่อจรัญบอกไปเข้าห้องเก็บอารมณ์เก็บอารมณ์พอเก็บอารมณ์ออกมาปุ๊บไอ้ที่มันโกรธที่มันไม่พอใจหายหมดไม่มีม้แต่นิดเดียวเลยแล้วก็โกรธไม่หลวงพ่อจรัญมีแต่ มีแต่ทําให้โกรธมีแต่ทําให้ระวใจอาดามานี่แม้ก็ะทั่งว่าเห็นพระที่บวชมาเนี่ยหลวงพ่อนะเหมือนกระทาใส่อาดมานะเอา้าผ้าจีวรเอาไปใช้เด้อเอา้าบาตเอาไปใช้เด้อเอา้าอัน น, นี้แนวเก่ยที่เกลี่ยกองน้าที่ใส่น้ําเนี่ยเอา้าเอาไปใช้เดี๋ยวก็ให้อนน อ, อ น, นุ่นอุ้ยหลวงพ่อจริญเนี่ยทาไมเราทํางานเทบตาย ไม่เคยให้อะไรเลยทําไมลำเอียงขนาดนี้ทาไมเป็นคนโอ้ยมันขนาดนี้เลยนะแต่ไม่หนีนะจบคือคือปวดแล้วก็จบจบเราทุกคนเป็นแบบนั้นโยมจิตใจเราเวลาปฏิบัติแล้วพอปฏิบัติอยู่ในที่จนแบบเนี้ยพอคนเยอะๆเนี่ยไม่สนใจใครไม่ถามใครไม่พูดกับใครโทรศัพท์เขาเก็บตั้งแต่วันแรก ไม่ให้ถือไม่ให้คุยไม่พูดไม่สนใจว่าคุณจะมาจากไหนแล้วะอะไรรู้ไหมไปเจ็ดวันแรกเป็นยังไงนอนสี่เวลาชาั้นข่าวเสียบนอนกั้นเช้าเสร็จนอนชั้นเพลินเสร็จนอนเลิกตอนเย็นสี่โมงเย็นนอนไปดเดินยงกลมถึงสามทุ่มไปนอนนอนวันละสี่เวลาอยู่เจ็ดวันพอมาจับสติได้เนะี่ยไม่นอนแล้วทีนี้ <No. S 2> เลิกเดบขาดเลยไม่นอนฉันข้าเสร็จเดินอยองกลมฉันเพียนเสร็จเดินอยองกลมเลิกงเสียมื่อเย็นเดินอยองกลมทำความเพียรอยู่อย่างนี้ตลอดเลพอเราทำความเพียรมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันมีมันไม่ส่งผลต่อสติมันมีกำลังเมื่อสติมีกำลังมันจับได้ต่อเนื่องเมื่อจับได้ต่อเนื่องมันเห็นอาการเนีถ้าสติไม่ชัดนี่ยอย่าไปพูดถึงว่าเห็นอาการ ที่ เ, เราบอกกันว่ากายานปุปัสสนาจิตตานุปันธ์สติดูกายอันหนึ่งสติดูจิตอีกอันหนึ่งทําไม่ได้ชิบกว่าปีกี่สิกว่าปีแลยอาดมาทําไม่ได้นะแยกไม่เป็นนะแต่มาเป็นเพราะเพราะนี่แหละไปปฏิบัติรูปนอพองนอเนี่แลยพอพอเราปฏิบัติเดินดวงกลมได้ทุกเก้าทุกเก้าทุกเก้าแล้วมันจะรู้จักสังเกตจะรู้จักดูเอเอมอีวันหนึ่งที่จะํะมันจ ะ, ะทําให้เรารู้เนี่ย เดินตรงกรมนี่นะเนี่นตั้งแต่เริ่มปฏิบัติเนี่ยทางเดินยงกรมอาจจะมาะเหลือจะไหลในห้องแอ่นะไม่ใช่ห้องอย่างนี้แต่ห้องอย่างนี้โอ้ยเอาไปอยู่หอกไหลปักป๊ ก, ก, กเดินกลับไปกลับมาเหนือไหลมีวันหนึ่งที่มันจะรู้ก็คือว่าตอนเช้าพอฉันข้าวเสร็จปุ๊บเดินยงกรมโดยเดินไปเนี่ยเหนื่อกับในทางเนี่เทม่มแต่ตอนบ่ายมาเดินอากาศร้อน ไม่มีเหงื่อออกไม่เต็มเม็ดเดียวไม่เมือ่อไม่ออกสงสัยแล้วเริ่มสงสัยเอ๊ะอะไรตอนเช้าอากาศเย็นทําไมเหงื่อออกตอนบ่ายอากาศร้อนทําไมไม่มีเหงื่อก็ยังไม่รู้นะไม่รู้นะตอนนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรพอหกโมงเย็นทําวัดเสร็จปุ๊บตอนนั้นแหละโอ้ยรู้แล้วรู้แล้วพอเดินยองกลงเพราะอะไรเพราะเวลาบันเดินปุ๊บมันเกิดความง่วงเห็นไหมเกิดความง่วง แล้วมีสติอยู่ทําไมความง่วงมันเยอะช่างเทพง่วงก็ลองเปลี่ยนเออพอมาดูเอาดูกติดูกายเทอดีดูจิตโอ้บางครั้งควง่วงเนี่ยเอาสติไปดูกายมันก็หายบางทีเอาสติตอนวง่วงเกิดขึ้นเอาสติไปดูไปอยู่ที่กายมันไม่หายก็ต้องเอาสติมาดูจิตเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโอ้ความไม่เที่ยงลักษณะของสติมันก็ไม่เที่ยงเนยเห็นตรงนี้พอเห็นตรงนี้ปุ๊บโอ้เราเข้าใจแล้วทีนี้เราแยกใจแยกจิตเป็นแล้วทีเนี้ แยกกายแากจิตเป็นแต่กว่าจะเป็นก็ยี่สิบสองปีนะโยมยี่บสองปีพอเห็นตรงนี้ปุ๊บโอ้นอนน้ำตาไหลแล้ะน้ำตาไหลเนี่ยไม่ใช่อะไรนะโยมมันเป็นปีติสงสารตัวเองโอยเกือบตายเนาะถ้าเราไม่ได้มาประบัติอย่างนี้ไม่มีโอกาสที่จะมารู้ไม่มีโอกาสที่จะมาสัมผัสตรงนี้เลยยี่สิบสองปีเต็ม นายโยถึงได้รู้ถึงได้เห็นว่าโอ้ถ้าไม่เราถ้าเราไม่มาทําอย่างเนี้ยถ้าไม่ใช้ความเพียรมากๆถ้าไม่ปฏิบัติมากๆแล้วการเป็นอย่ามากเนี่ยที่อจะมาดู ด, ดูดูเวทนาได้นี่เวทนาไดเ้เพราะนี่แหละโยมตอนแรกอันเนี้ยที่จะมาว่าอย่าเอาความถูกความผิดมาวัดเขาให้นั่ ง, งนั่งปฏิบัติเนี่ยเดินสามสิบนาที หรือคุณเดินชั่วโมงคุก็ต้องนั่งชั่วโมงคุณเดินสองชั่วโมงคุก็ต้องนั่งสองชั่วโมงเขาวางกฎเกณฑ์ไว้อย่างนั้นพันมาบอกผมทําไม่ได้ถ้าผมเดินสมชั่วโมงแล้วผมจะนั่งได้ชั่วโมงหนึ่งนี่ผมนั่งสบายผมไม่หลับอ๋สติมันก็ไม่บาลานซ์กันดิอันธมาก็บอกว่าเนี่ยที่นั่งอยู่72คนเนี่ยมันนั่งหลับทุกคนแต่สติจะบาลานซ์ได้อย่างไางไว่า่ย่างนั่งสมาธิหลับอะ แล้วเราถามว่าไอ้ที่มันนั่งหลับๆอยู่เนี่ยมันชอบเดินไหมมันไม่ยอดหรอกมันชอบนั่งหลับมันจะมีสมาธิมันจะมีสติได้ยังไงเออเ อ, อ, อยากทอะไรก็ทําไปเลยปล่อยอยากทําอะไรก็ทีหลังมาไม่ใช่อย่างนั้นแล้วยมเห็นไหมตอนแรกตอนสติเรายังไม่มากตอนสติยังไม่มีกําลังต้องเดินสองชั่วโมงสามชั่วโมงถึงจะมานั่งกําหนดดูลมท้องยุบท้องพอ ง, พองได้ตัวท้องยุดท้องพองนี่มันก็ สติมันไม่ชัดเจนเหมือนเรายกมือเนะถ้านั่งปวดแฉ่งปวดขาอยู่เนี่ยไม่แค่นั่งยกมือกําหนดรู้ทุกจังหวะทุกจังหวะทุกยังวะได้เนะี่ยจบจบเลยเพราะว่าเมื่อเราสามารถเรานั่งสองชั่วโมงสันโ ม, าม ง, งให้มันปวดขาได้เนะี่ยมีสติเข้าไปกําหนดรู้ได้จนกระทั่งโรคอาการปวดปวดที่มันหายไปเลยเนะี่ยหายเลยนะฉะนั้นพรามันหายเนะี่ยเห็นมมันมีความสุข สุขในในในการที่เราข้ามเวทนาได้พอข้ามเวทนาได้นี่โอ้โหนักปฏิบัติที่เดี๋ยวเนี้เขาปฏิบัติเขาชอบตรงนี้นั่งดึงแตะหกบ่งเย็นดึงหกบ่งเช้าก็ได้อาจารย์ที่สอนชื่ออาจารย์กันชิดแล้วเมื่อกี้ท่านอาจารย์อกระสินินท่านบอกว่าเรื่องแตกตอนก่อนเรามาเนี่ยเรารักษาศีล เตะตัวศีลรักษาเนี่ยมันมีสภาวะของมันนะเมื่อเรามีสติต่อเนื่องมีสติดีเนี่ยโยมอนามานี่แม้กระทั่งขอตทษนะแม้กระทั่งอย่าหายลมเนี่ยมันยังสํารวมเลากาศมันสํารวมมันทําหน้าที่ของมันเองเนีตอนที่ศีลรักษาเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนตอนที่บริบัติสี่สบห้าวัน นี่อาตมาได้เห็นเห็นอะไรโภชเนมัตัยุตาเนี่ยโชเนมัตันยุตาคือนั่งตรงหน้าอาจารย์พอรานั่งจันข้าวก็นั่งอย่างนี้แหละก็นั่งต่อหน้าอาจารย์สอนกรรมฐานเจออาจารย์มหากันชิดโอเป็นเป็นนักสอนระดับระดับประเทศสอนในทั่วประเทศเล ง, งานใหญ่ๆของทุกภาคที่ ท, ที่ที่มีสี่สิบห้าวัน เขาจะนิมนต์อาจารย์กันคิดแม้ภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคไหนก็นเล่นแต่อาจารย์กันคิดจะเป็นอาจารย์ที่สอนเรื่องเรื่องยุบหนอพองหนอผ่านงานมาสิบยี่สิบกว่าปีไปปฏิบัติที่ประเทศพม่าของสายดอเนี่แหละเป็นลูกศิษย์สายดอของเก่งมากไม่แม่นใช่ไม่เก่งนะเก่งหรือเก่งเพราะว่าพอกําหนดรู้ตรงนี้ได้เนี่ยโยมมันมันมันคาบตรงนี้ได้อได้มายังบอกว่าเรานั่งเหมือนกันเนี่ย ปวดแข้งปวดขาเหมือนกันเนี่ยแต่มันมีความแตกต่างอดมานั่งอยู่ทุกวันนี่ก็ปวดแข้งปวดขาแหละแต่ว่าถ้านั่งยกมือมีสติต่อเนื่องมันมันจบนะนั่งท่าเดียวนานๆสอ ง, อา ง, งสามชั่วโมงก็ได้มันจบหรือถ้าไม่ถ้าไม่จบก็ลุกไปเดินมันก็จบเพราะว่าประส บ, บาการณ์โยมถ้าไม่มีประสบาการณ์อตมาก็ไม่เชื่อหรอกประสบาการณ์ที่อดมานั่งสองชั่วโมงเนี่ วันแรกเนี่ยสองชั่วโมงปุ๊บมันปวดเอา้าครบสองชั่วโมงแล้วไปเดินจงกลมหายพอวันที่สองมาเป็นยังไงพอวันที่สองมาปุ๊บเนี่ยปวดจะนั่งนีงไงได้สองชั่วโมงไม่ได้นั่งยังไงก็ไม่ได้ทีนี้เมื่อไม่นั่งไม่ได้อาการที่เวทนามันแสดงไงเมื่อวานนีพอลุกไปเดินมันหายนะพอวันนวันที่สองมาปวดเนี่ย ไปเดินเลยไม่หายนะทํายังไงก็ไม่หายไปนั่งทําวัดนั่งพับเพียบก็ปวดนั่งคุกเข่าก็ปวดนั่งโอ้โหทรมานมากเลยโยมทรมานมากเลยทรมานมากปวดแล้วก็เทียบก็เทศนบนาะนานู้ตปเทศเหมือนเราบ่เลยหลังบอจาคุณทรมานโลกนี้เขาเทียบยเทียไปถึงจมงูกโอ้ยทำไมมันเทียนนานได้ปวดขาพอกับเลิกปุ๊บลุกไปเดิน พอก็เลิกเก็บไปเดินปุ๊บหายหายหายมันกันแล้วก็เลยเข้าโอ้เราต้องเราต้องทำสติให้ดีๆไ ด, ด้ทำสติให้ต่อเนื่องทำสติให้มันมีน้ำหนักมันมมันเกิดตรง น, นี้ขึ้นเรายกมือนั่งยกมือเนอี่ยจบเลยฉะนั้นเวลาเวลามันเป็นเวทนามันเกิดขณะปฏิบัติเนะี่ยอย่าพึ่งไปเปลี่ยนอิเลียบดให้เรามาก็หนดรู้เนี่ยเรารู้ทุกจังหวะไหมเราเดินอยู่เนี่ยเรารู้ทุกก้าวไหม เรารู้ทุกขก้าวไหมเราําอยู่เนีเ่ยรู้ทุกข้าวไหมถ้าเรารูทกกา้ทุกขก้าวทุกข้าวปุ๊บเนี่ยมันหายเลยมันหายมันจบเลยนะโยมจบแล้วมันจะบอกนะโยมแล้วที่ที่อาตมาบอกว่าอย่าไปเอาผิดเอาถูกกับสิ่งที่เรากําลังเจออยูตนอนแรกอาตมาบอกว่าผมต้องเดินโยงกลมสองชั่วโมงสามชั่วโมงผมถึงจะมานั่งได้ แต่พอเราสติมากขึ้นมากขึ้นเราทำต่อเนื่องทำตลอดมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยไปเดินตรงกลมชั่วโมงเดียวมานั่งสามสี่ชั่วโมงได้เนี่ยเห็นไหมว่าตัวสติมันมีอำนาจมันมีกำลังมากถึงขนาดนั้นเนมันเมื่อเรามีมีมีสติมากมันไปกำหนดรู้เวทนาได้แล้วพอกำหนดรู้เวทนาได้มันมาดูจิตได้แล้วดูจิตได้แล้วทีนี้มันก็เห็นอยู่แล้วทำ คือสภาวะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราเปลี่ยนได้แล้วอันนี้แหละโยมเราสังเกตให้ดีนะเวลาปฏิบัติเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยไอ้สิ่งที่มันมันมันมันบอกว่าเอาเราทำอย่างนั้นนะต้นคำอย่างนี้นะก็จะค่าสติไม่ชัดเนี่ยมันจะเป็นอีกด้านเลยถ้าตัวกายานุปัสนาไม่ชัดเนี่ยเพราะว่าเมื่อเร็วๆ เ, วเวมื่อเดิอนธันวานที่งานปฏิบัติของอพระครูสุติเขมกุณที่มากับพระมดมาด้วยเนี่ย มีพระรูปหนึ่งที่บอกว่าเก็บอารมณ์เจสบเ้าวันหรือเจ็ดบห้าวันนะท่านมาบอกว่าเดินตรงคมจนกั็คุยเทวดาได้คุยกับเทวดาได้พระตะมาบอกไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่ไม่ใช่ยังไงผมได้อย่างนั้นจริงๆรวันเป็นวัน น, ะาา น, นี้มันไม่ใช่นะอาจารย์มันพยาจอมหลว่ามันไม่ใช่ตรงนั้นมันไม่ใช่ แต่ว่าใช่ไม่ใช่ย่างไงโอ้ก็เลยไม่คุยด้วยเพราะเขาไม่ศรัทธาแล้วเราพูดแล้วเขาไม่ศรัทธาเขาไม่เชื่อแล้วถ้าเขาศรัทธาเขาฟังเราสักนิดเดียก็บอกว่าเวลามันถามเวลามันถามเวลามันคูดต้องสักไซนนะโยมนะไสน์ะสักไซน์น ะ, น, ะนะปุทธาวิสัชนาตัวนั้นแหละคือตัวปัญญาญาณถ้าตัวใ ไ, ได้ตัวนี้นอะโอสบายเลยถูกไหม เรากําลังเดินอยู่มันเหนือ่อยไงฮะเหนื่อยแล้วไปักกัหน่อยเถเราก็ลองถามเลยดิอา้าวเรามาปฏิบัติธรรมไม่ใช่เหรอเนี่ยมันจะมีคําตอบออกมาแล้ทีเนี้ยมันจะมีเหตุมีผลของเขาไอ้ตัวตัวที่บอกไปนอนอา้าวร่างกายเราก็ต้องรู้จักเปลี่ยนรู้จักป่อนคายดิเฮ้ยไม่ใช่แล้วนี่มันจะเสียงกันอยู่อย่างนี้นะมีไหมเคยมีไหมโยมที่มันคุยกันอยู่ในใจ อย่าไปคิดว่าเป็นผีสางเป็นเทวดาตัวนั้นเป็นตัวสติที่จะมาบอกมาสอนเรานี่ยโยมอาตมานี่ตรงนี้อาตมาจําตั้งแต่เจ็ดวันแรกที่เข้ามาปฏิบัติเลยเนี่ยโยม <c oughs> เข้ามาหาหลวงพ่อจรัญเนี่ยไม่รู้จักหลวงพ่อจรัญไม่คิดว่าจะมาปฏิบัติแบบหลวงพ่อจรัญหรอกแต่ว่าเพื่อนชวนมา เพื่อนไปเข้าปริวัติที่วัดเขาแยกหอมแล้วพอออกจากปริวัติปุ๊บเพื่อนพระก็บอกว่าไปไม่ไปหาหลวงพ่อเจริญไหมไปไหนก็ไปแบบปฏิบัติธรรมผมไ ป, ป, ท, มไปทั้งนั้นแหละอบรมนักเรียนวันที่ส1บอถึงวันที่สิบแดพฤศจิกายนพศสองพันรอยสามสิบสามอาจจะมาเข้าไปปฏิบัติเจ็ดวันยังไม่ถึงเจ็ดวันเลยแต่ปฏิบัติตลอดมีอยู่วันหนึ่งที่ ไปวินทบาทตอนเช้านั่งรถไปนั่งท้ายรถไปเถียงกับพระที่ไปด้วยกันเถียงกันไปเถียงกันมาอยู่นั่นะเถียงเรื่องการปฏิบัตินี่แหละโฮ่เฉียงไปเถียงมาใจใ จ, ใจที่สติที่เราปฏิบัติมามันก็มดบอกว่าไปเฉียงกับเขาทำไมเถียงแล้วมันได้อะไรฮกลับมามองที่นี่เลยนะกลับมาฟังที่จิตเลยกลับมามองที่จิตแล้ ว, ลมมลวเมื่อกี้ใครบอกเราอะ บอกไม่ให้ไปเถียงมันหยุดเลยนะไม่ไปสนใจว่าเขาพูดอะไรไม่สนเลยนะมีทุกคน่นตัวเนี้ยแต่เราไปสังเกตต อ, ตอนเราเดินโยกรมทงโภเพียนมามันจะมีหลวงพ่อเทียนถึงว่าอารมณ์เบื้องต้นที่ได้พอตัวนี้ถ้าเราจับมันชัดเจนถ้าเราซักไซสถามบ่อยถามตอบถามตอบบ่อยแล้วแต่อย่าไปถามนานนะมันจะเป็นวิภาควิจารณ์คือนพอมันรู้เรื่องกระจบให้มันจบ ม, นมันจบนะ ท่ทตัวเนี้ท่านชัดเจนเมื่อชัดเจนเนี่ยมันงน่ายนะพอเราปฏิบัติยังไงไปปุ๊บมันจะบอกปั๊บเม้กะทั้งของ่ายได้มานี่หลายครั้งที่มันมันไม่บอกทุกครั้งหรอกนะมันจะบอกก็ต่อเมื่อสติเรามีกำลังมากสติเร า, า, ต, เราต่อเนื่องมันจะเกิดตัวนี้ชัดเจนเนยเพื่อนอาตีธรรมาพูดได้ป เ, เพราะว่าเห็นเนี่ยโยม ความวางเนี่ยเราเดินลงตรงาทำความว่างอยู่เนี่ยความวางหายแต่เราไม่รู้สาเหตุเพราะตัวเนี้ยตัวสติตัวปัตตบัญญาตัวเนี้ยไม่มีแต่ของอนิมาเ น, เนเนี่ยเห็นเลยพอเดินลงตรงทำลงเพียแต่ต้องเก็บอารมณ์นะไม่ใช่มาเดินในเนี้ยถ้ามาเดินในเนี้ยอันนี้แบบฟืกครับโมจะให้จริงดีเห็นจริงๆต้องเก็บอารมณ์ เข้าห้องกรรมฐานอยู่คนเดียวความบิดบดก็จะมากความเบื่อความเส็งความง่วงโอ้มาเป็นกองกองเลยเล ย, เล ย, ยมันมันไม่ธรรมดาเลถ้าเราเก็บอารมณ์เดินอยู่ไปเนี้ยมันเแบบื่อเบกัสเฉยเมันไม่เห็นจักรวาเห็นคือพอเห็นความง่วงเนี้ยพอเห็นเดินไปเดินไปเพระมีสติต่อเนื่องปับป๊บปับปบ๊ความง่วงหายปับ๊บมันสว่างวา่าเลยในใจเนี่ยวสว่างวา่างอ้ยความง่วงหายเลย ก็ง่วงหายแล้วพะอะ่อเลพอมันมีสติเอาแล้วสาเหตุมันง่วงมันง่วงมาจากอะไรเอาเพราะมันคิดเอามันคิดเรื่องอะไระคิดเรื่องกรมโอ้เราคิดเรื่องกรมตั้งนานนะมันถึงมาง่วงถ้าเราไม่คิดเรื่องที่ไ้รู้โยมมันเข้าหลักเดียวกับพระพุทธเจ้าอริยสัจสีแล้วทุกสมุทยัยนิโรธมร พอรู้ว่ามันโควิมันจะเกิดเนี่ยมันเป็นพราะอะไรเปลียนพรคิดคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องกรรมอ่าทีนี้พอเราเดินยังโควิดทำค น, คนเิเปียนไปอ่าพอจะคิดเรื่องกามอ่าหยุดหยุดหยุดถ้ามึงคิดต่อไปมึงจะง่วงนานหยุดตั้งแต่นั่นเป็นคือสมุไทยแล้วมันรู้สาเหตุที่จะทําให้ตัวเองทุกอาการถ้าใครจับตัวนี้ได้เนี่ยมันจะบอกทุกอาการเลย ว่าอาการที่มันเป็นมันมาจากไหนมันเป็นเพราะอะไรสาเหตุ ม, มา้มายจากไหนหนี่แหละนั่นแหละพระพุทธเจ้าบอก ว, ว่าทุกให้กําหนดรู้รู้เหตุแห่งทุกรู้วิธีดับทุกรู้ต้นตอของทุกตัวนี้แหละมันเห็นมันชี้ให้เห็นเลยว่าก่อนที่คุณจะเกิดอาการอย่างนี้ก่อนที่คุณจะเป็นอาการอย่างนี้มันมาจากอะไรเนีย่ยฉะนั้น อย่าไปคิดว่าเป็นผีพยายามดีๆลงโยมอย่าพยายามว่าเวลามันอย่างเนี้ยเราพยายามซักไซรไล่เลี้ยงให้ได้ตัวนี้นะอย่าไปคิดว่าเป็นผีเป็นเทวดาหลงเลยนะโยมถ้าไปอย่างนั้นไปเลยนะ่ะไปเลยนะมันจะหลงหลงลักษณะของการไปดูจิตเนี่ยหลงง่ายมากเลยนะอาตมาโอ้โหถ้าฐานไม่ดีเนะี่ยอาตมาก็ก็จะหลงเหมือนกันเนะ๊ถ้าฐานถ้าฐานตัวนี้ไม่ดีถ้ากายยาวัฒ น, นาไม่ดีเนะี่ย เพราะอะไรเพราะขนาดที่ปฏิบัติยุบหนอพองหนอเนี่ยยุบในห้องมันเป็นห้องแย่ใช่ไหมมีคนเป็นหวัดคนหนึ่งปุ๊บวันหลังมาติดกันหมดเลยทั้งห้องเนี่ยไอคุกไ อ, ไอ้แคเขาก็บอกพอไอ้ปุ๊บเขาบอกว่าได้ยินหนอได้ยินหนอได้ยินหนอพอเราก็งงบ่อยเข้าบ่อยเข้าเก็เราไปดูจิตดันดูจิตแต่ว่ามันก็รู้เลยว่าเสียงไอคนนั้ น, น, นอยู่ตรงนั้นเสียงไอคนนี้นอยู่จําได้เลยว่ารู้ตรงนั้นรู้เลยเหรอเสียงไอของใครเนี่ยมันมันเพราะว่า อตัวเนี้ยมันจะรู้หมดเลยรู้ว่าโอ้แม้กระทั่องอยู่ข้างนอกห้องเนี่เสียงนกเสียงรถเสียงอะไรวิ่งมันกาหนดรู้รู้หนอรู้หนอได้ยินหนอได้ยินหนอได้ยินหนอบ่อยเข้าบ่อยเข้าแม้กระทั่งยี่ห้อรถยังรู้เลยเสียงได้ยินเสียงยี่เฉยนะ่มันยังรู้ยี่ห้ อ, อรถนี่เสียงเนี้ยี่ห้อนี้อันนี้รถสิบล้อนี้รถปิกอัพอันนี้รถเกงโอ้ ดูกิตมันขนาดนี้โอ้คนถึงหลงกันโนเนี่ยหลงมันจะคิดว่าตัวเองมียานแล้วยานวิเศษพอไปดูตรงเนี้ยจะหลงทันทีเลยนะอันนี้โยมคือปฏิบัติมาหลายๆแบบรูปแบบนะมันอยู่ที่ว่าธรรมาก็ใช้เหมือนกันเนี่ยโยมพุทโธก็ใช้อานาปนานสติก็ใช้ยุกหน่อพองหนอนี่ไม่ได้ใช้หรอกแต่ว่าได้มาหัดมาหัด ต, ตึงเหน็นถึงรู้ว่มันเป็นนี้ พุทโธเนี่ยมันจะใช้ได้ตอนไหนยมตอนที่เาจะมามาใช้ก็คือตอนที่มันคิดโอ้โหเวลามันคิดเนี่ยเดินยังไงมันก็ไม่คิดไหลความคิดไหลไหลไหลไหลไหลออกมาเนี่ยโอ้ไม่ได้เราเดินนทํำยังไงวะทำยังไงพเดินมันคิดอย่างงี้มันจะไปได้อะไรอ่ะก็หาวิธีดิมันความคิดมันไหลออกมาเดินยังไงมันเอ้ามึงอยากคิดคิดไป เดินเป็นชั่วโมงเลยให้มันคิดอย่างนั้นละคิดเป็นชั่วโมงพอคิดชั่วโมงหนึ่งป๊อเมาพอพุทโธมาช่วยแล้วหายใจเข้าพุธพุธนี่มันอยู่เท้าไหนโคมันอยู่เท้าไหนแล้วก็ดลมหายใจด้วยลมหายใจเข้าออกทั้งพุทธและโธพร้อมประสานกันสาอย่างเนี่ยกําหนดใส่พอมันมากําหนดตอนนี้ปุ๊บรู้ทุกเก้าทุกเก้าพุทโธพุทธพุทธตมันคิดหนึ่งชั่วโมง มากำหนดพุธโทรหนึ่งชั่วโมงพอเราเลิกกำหนดปั๊บพอมันเ ย, ย, ย็นลงเลย็นลงเยนเลยความคิดไม่ขึ้นแล้วมากำหนดเฉยๆปั๊บนมันรู้เฉยๆนี่โอ้โหนิ่งดูดเข้ามาเลยตัวสติลว้ลวนๆเลยทีนี้ไม่มีอะไรเจือปนความคิดก็ไม่เข้าแล้วทีนี้มันได้แล้วเนี่ยวิธีการทุกอย่างใช้ได้อย่าไปแบ่งแยกว่าโอ้อันพุโทแต่นะโยมนะ บอกนะพุทธโทเนี่ยมันจะปกปิดความจริงคือมันไม่กล้าระเชิญระเชิญอะไรไปรเชิญสภาวะที่เป็นจริงเนี่ยเกิดความง่วงเนี่ยไม่กล้าไปเชิญแล้ว เ, เกิดความปดวดหัวเมื่อยเนี่ยไม่กล้าแล้วแต่แต่แตยบหนอพ้องหนอนเนี่ยเขาให้สู้นะยมมีอาการอะไรก็สู้สู้ ส, สูแต่เขาให้ไปดูจิตมันผิดตรงนี้เองผิดตรงที่ว่า จิตเนีไปดูจิตเนี่ยจิตตาโนบัตไปดูจิตเอาจิตไปดูเลยเอาสติไปดูจิตเนี่ยมันทิ้งฐานฐานคือตัวกายานุปัสสนาเนี่ยเรามากําหนดรู้เฉยเรามาก้าให้รู้เฉยเนี่ยตัวนี้แหละมันตรงมันไม่มีอะไรปิดบงังไม่มีอะไรเจือปนเลยมันเป็นความ Little. รู้สึกล้วนๆเป็นตัวกายานุปัสสนาล้วนๆเลยทีนี้กายานุปัสสนาเนี่ย ดูเราทำอยู่เนี่ยเราต้องกำหนดนะมันดึงจะรู้นะแต่เราทำที่อาจมาบอกว่าได้รูปนามครั้งแรกปีพศสองพบเเนี่ยมันได้ตัวสติที่ไม่ได้กำหนดนะมันรู้มันเกิดเราสั่งสมแเราทำอย่างนี้แล้วาปฏิบัติอย่างนี้เราสทําทำไปทำไปพบปี โราิดดูว่าเริ่มปฏิบัติตั้งแต่ปีสามสามสามมาได้ตัวนี้ปีสามเจ็ดสี่ปีคิดดูว่ามันถึงได้ตัวกายานุปัสนาที่เราไม่ได้กำหนดตัวที่ไม่กำหนดมันเป็นยังไงอยู่สติที่ไม่ได้กำหนดอ่ะคือวันนั้นทั้งวันทั้งตอนนักคืนนักคืนเลยนะเดินยองก้นจนถึงหกทุ่มนี่โอ้โหไม่ง่วงเลย ติดมันตื่นร้องเนอะเดิ น, นแต่ว่าต้องนอนหกทุ่มก็ น, นอนนอนที่ตื่นที่สี่ก็ตื่นเลยนอนตื่นตื่นพอดีตอนเช้านี่เพื่อนเพื่อนพระด้วยกันมาถามมาถาม เ, าเป็นยังไงบ้างโอ้เมื่อคืนนี้ได้สติได้ความรู้สึกตัวดีดีเออวันนี้อย่านอนนะอย่างนี้วันนอนอย่านอนวันนี้เดี๋ยวจะได้อะไรดีๆนะเอเอแล้วแล้วทีนี้ก็ มันจะนอนยังไงวันนี้ไปโงอุโบสดก็วันนี้ไปงโงพยบลสวัน้าคนงไปงโงบสดบ้านลานยาเออไม่ได้นอนอยนอนวันนี้ปฏิบัติปฏิบัติไปเลยปฏิบัติไปเลยอะไรมาก็ไม่รู้อะไรหรอ ก, ก็ไปแต่ว่าก่อนจะไปักแช่แช่ผ้าเจวอเอาไว้แล้วพอไปโงอุาบาลสกลับมาก็รีบมาซักเสืออสเส้อผ้านพอจะซักเสื้อผ้าเท่านั้นแหละโยม ักผ้ามาสักปุ๊บเกิดโอ้โหขนลุกขนพองเลยโอ้โสติสติมาแล้วสติมาแล้วรีบซักผ้าซักผ้าซักผ้าอย่างเดียวเกิดขนลุกขนพองนันดีเลยรู้นั่นดีเลยว่าตัวสติที่เราไม่ได้กับตัวเราสติที่เราทําอยู่เนี่ยมันเกิดให้เราเห็นเดี๋ยแล้วพอเห็น อ, อย่างนั้นปุ๊บรีบโอ้ซักเสื้อหาซักผ้ า, ผาล้างผ้าเสร็จแล้วรีบไปตากรีบวิบ่งเข้าห้อง ไปปฏิบัติเป็นยังไงแหละโยมตอนนี้โอ้ยหน้ามืดเลยโยมเอ้มันจะไปให้ได้มันเดิมมันไม่ได้ดิว่าจะตีนะโอ้ยปวดหัวมึนหัวเอาไม่ไหวนอนนอนอย่างเดียวเลยไปไม่ไหวเลยนะโยมอันนี้คือคนที่คนที่เขามีความเพียรมากๆเขาไม่กลัวนะเตียเดนะินมาไม่เข้าใจอะไรหรอกมันมึนก็นอนเลย นอนเลยมานอนโอยนอนแต่รู้ว่านี่เราได้แล้วเราตัวจิว ต, ต, ตเราได้แล้วตัวกายานปัตนาที่มันเป็นเองมันได้แล้วพอได้ยังกระทามาทํามานี่ไม่ชัดนะโยมได้ตัวนี้ก็ยังไม่ได้ชัดเนะี่ยปฏิบัติมาตลอดนะดิ่มดูอารมณ์ดูแยกกายแย ก, แยกคิดไม่เป็นหรอกโอ้โหต้องยี่สบสองปีนะโยมมันถึงมาชัดเจนตอนเนี่ยปีหนะ้าเก้า ได้ตั้งแต่ปีสามเจ็ดหนึ่งปีหเก่แล้วมีหลายๆอย่างที่ที่ที่ที่มันมันสภาวะที่มันใจเรามันบอกมันสอนเนี่ยคือขณะที่เข้าห้องปฏิบัติโยนของอามายมันไม่มีมุ้งเหมือนเหมือนของท่านพระอาจารย์ทำไว้นี่นะที่จริงนะให้มันเป็นธรรมชาติแต่ดีที่สุดให้มันมีความทุกข์เยอะๆผมไม่ต้องมีมุ้งไม่ต้องมีอะไรแหละมันจะได้เจอ เจอแล้วเราจะได้มีสภาวะอาตมานในห้องกุิที่วัดอาตมาแต่ก่อนมันไม่มีหรอกมุงมึงอะไรนี่นอนหลงังมุงหลังคาย่าด้วยแล้วเวลาจะนอนค่อยกางเอามุงแล้วเวลาเดินยังกลมเนี่ยปุ๊บเอามือฝ่ายหลังยุงมันมากัดแขนพอยุงกัดแขนปุ๊บโอ้ยยุงจะกัดคิดจะไปตบยุงนี่นั่นแหละพอคิดจะไปตบยุงมันก็บอกว่า ไปตกมันทําไมยุงยุงมันกัดมันทุกไหมทุกทุกทำไมไม่กําหนดรู้แค่นั้นเลยโยมหมูพอกาหนดดูปับ๊บโอ้โหโยมเอ้ย ม, มันไม่ทุกแล้วมันไม่ทุกแล้วที่เป็นความชุ่มฉ่าเป็นความชุ่มชื้ น, นโอ้ทุกกําหนดรู้ทุกเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นเรากำหนดรู้ได้แล้วมีสติกาหนดรู้ได้เนี่ยโอ้มันไม่ธรรมดาได้ไม่ไปไล่ยุงเลยยม ดูบ้นอย่างเดียวล่ะกำหนดรู้มีสติอย่างเดียวเห็นความชุ่มชื่นชุมฉ่นี่ก็คือเห็นอีสภาวาหนึ่งที่จิตมันที่จิตมันระบอกตัวเนี้ยทำให้ดีทาให้ดีเวลาเราสังเกตว่าเวลามันมีคนพูดคนบอกคนแนะนำานะ่ลองซักไสคือปุจฉาวิสัชนาะถามมันบ้างทำไมจะต้องทำอย่างนี้แล้วมันเป็นอะไร เห็นมันพอพิสพาว่าอะไรเนี่ยมันจะมีมันจะมานะถ้าเราทําถ้าจิตเราดีเนี่ยมันจะมาทุกครั้งที่ที่ที่เรามีอะไรอดีๆโอ้แต่ว่าอาจจะมาเป็นโง่อยู่ครั้งโง่อยู่ว่าป่าเขาคงคาโอโโง่โง่โง่มากเลยเนีเดินนงกลมอยู่เน่ะพอเดินนองกลมอยู่นี่ยต่อเดินนองกลมไปเดินนองกลมมามันคิด สติก็เห็นอยู่นะสะติเดินสตนเเิเดี่โอ้ยดีเว่ยเดินต้องกลมอยู่สติก็มีได้เว้ยความคิดก็มีได้เออมันเดินเอาไปเอามาทั้งเดินคิดทั้งเดินมีสติเลยยมบอกมันปนกันเลยมั่วเลยโอ้ยพอมาถึงตรงนี้ทําไมมันโง่จังล่ะความคิดมันเข้าทําไมไม่ผัก อ, ออ้ยโอ้ยมันโง่ โง่นั่นนายโมมันไม่ใช่ยาลานมันถึงปฏิบัติยากไงปฏิบัติมานี่ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้โอ้อยากจะตายโยมอยากจะตายยังไงโยมเมื่อสติเราไม่ชัดเนี่ยเดินโยมคงแค่สองโมงสองสาโมงนึ่ไปไม่ไหวแล้วนี่ไปไม่ไหวแล้วแต่อัตมาเนี่ยโอ้อัตมามาเห็นเนี่ยเห็นเห็นมีพระมีอะไรปฏิบัติ ด, ด้วยกันช่วยกันช่วยเหลือกั น, นอัตมานึกถึงสมัยแต่ก่อน คนนั้นก็เดินจงกลมคนนี้ก็เดินคือในกุฏิที่มันมีแต่หลังคาเนี่ยมันจะมองเห็นขาขาในกุฏิคนไหนนอนคนไหนเดินทำคนเพียรเดือนเห็นรู้เลยกุฏิหลายหลังมองไปเดียนเลยที่นี้มีภาพรูปหนึ่งบวชที่หลังอัตมาด้วยเดินยองกลมเตะพอฉันข้าเสร็จแปดโมงปุ๊บเดินยงกลมทํำคนเพียรโอ้โหตั้งแต่แปดโมงกินหกโมงเย็ยนไม่พักอะโยม โอ้โหคนอะไรวะมันทลอดกันนะอะไรวะเนยโอ้หสุดยอดเลยวะคนอะไรวะเอาวะนี่มันเพงบวชมายังไม่ได้บัรษาเลยเราต้องห้าวันษาแล้วทำไมเราจะทำไม่ได้เนี่ยเห็นไหมโยมกัลยาณมิตรหมู่มิตรเนี่ยมันมันให้พระพุทธเจ้าว่ากัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของงานวิปัสสนาเนี่ยพอเห็นเขาเดินแค่นั้นหละเอามั่งโยมเดิน วันนี้หนึ่งก็เริ่มแหละสองชั่วโมงสามชั่วโมงวันหลังก็สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงต่อเนื่องกันสี่ห้าชั่วโมงหกชั่วโมงโอ้กว่าจะได้สิบชั่วโมงต่อเนื่องนี่โลยงคิดว่าเป็นยังไงโยมนอนก่อนตอนเย็นเย็นมาเนี่ยยกขาขึ้นเตียงไม่ไหวโยมขาบวมขาเลบวมยกโอ้โหบวมทั้งสองข้างนะโยมมันไม่ใช่บวมธรรมดาเอ็นร้อยไหวก็ปวดด้วย ถ้าเข้าห้องกรรมฐานเนี่ยทุกครั้งเนี่ต้องเป็นเนีนแต่ก็เราก็สังเกตดูตัวเองเมันกันนะโยบตอนเช้าทําไมมันไม่เปลี่ยนวะตอนเย็นเวลาเราขึ้นนอนทําไมขามันบวมทําไมมันปวดมันมากแต่ตอนเช้าเนี่ยทำไมมันไม่เปลี่ยนหายเลยไอ้ที่มันเปลี่ยนทางไหนทำอีกทีนี่ก็ทำอีกเออมเนี่ยก็เห็นว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะเราเพราะสภาวะที่เรายังมองไม่เห็นเวทนาเรายังมีสติเข้าไปดูเวทนาไม่เปลี่ยนเล โยมเข้าไปดูเวทนาไม่เป็นทีนี้พอเราทําอย่างนั้นบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าทำหลายครั้งนะโยมเดินยงกลมจนเห็นแล้วไหวบวมเนี่ยพอทําหลายครั้งเข้าหลายครั้งเข้าเนี่ยเป็นยังไงเลยโอ้มันแยกรูปแยกนาไม่เห็นเลยโยมไอ้นี้มันปวดเนะี่ยมันอันนึงเลแต่ถ้าใจเราไม่ไปอยู่กับความเก็บความปวดใจแล้วไม่มีสตินเนี่ยมันแยกออกเลยโอ้มันแยกอาการให้เห็นเลยว่าอันนี้เป็นรูปอันนี้เป็นนาม อันนี้เป็นเวทนาถ้าใจไม่ไปอยู่กับเวทนามันไม่เป็นนะมันไม่เจ็บมันไม่ปวดไงพอเห็นอย่างนี้โอ้โหปวดปวดไปรอดบาดเนี่ยอ่ามเป็นไงไม่กลัวแล้วทาอย่างนั้นมาตลอดเล ย, ยทํานำไม่กลัวไม่กลัวเรื่องเพราะอะไเพราะเมื่อเรามีสติเข้าไปกําหนดรู้เนี่ยมันได้ประโยชน์มันได้ประโยชน์แล้วอาจารย์มาถึงบอกว่ามันต่าง โยมต่างจากโยมเดี๋ยวนี้ก็เแล้ว ก, กันถามมานั่งปวดนั่งทำวัดสวดมนต์ทุกวันเนี่ปวดขาทุกวันแหละปวดเขาทุกวันแหละัดมาก็ะปวดแต่พอออกจากห้องไปเดินองคมหายหายนี่แหละคือเรามาเจริญสติเนี่ยเพื่อเพื่อเอาไปกำหนดดเนูเวทนาเวทนาทางกายเป็ยนยังไงความเจ็บความป่วย ความไม่สบายกายทั้งหลายเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยเรามากําหนดรู้หายปุ๊บแตกความทั้งจิตเนี่ยทางจิตเนี่ยวโยมบางทีเราเนี่ยทางจิตเนี่ยมันไม่น่าเป็นมันก็เป็นแน่ลยมมันไม่น่าตายมันก็ตายแน่เพราะที่ข้างที่บ้านของอาตมานเนี่ยมันมีคนป่วยเนี่ยโยมคนป่วยคนหนึ่ง ป่วยเป็นโรคมาเลียงมาตั้งนานแล้วแต่ไม่เคยไปหาหมอแต่มีอยู่รันหนึ่งอ ะ, ะวันนั้นก็คิดจะไปหาหมอทำการทางานอะไรจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปหาหมอหมอผมเป็นโรคอะไรหมอก็ไม่ยอมบอกว่าเป็นโรคอะไรหมอบอกว่าพ่อใหญ่ก็เป็นโรคเกิดโดนนั่นแหละพ่อใหญ่เจ้าเป็นโรคเกิดโดน โอ้ยเป็นโรคอยังก็บอกผมผมจะได้ไปรักษาได้ผมมีเงินอยู่เงินทองผมก็พอมีผมจะไปรักษาได้อผมเป็นคนธรร ม, มะธรรมโมผมเป็นคนธรมมร ม, มะธรรมโมอ่อแน่ใจนะพยย่อใหญ่แน่ใจเป็นโรคมะเร็งหมอก็บอกจอเป็นโรคมะเร็งอ่อมันจะอยู่ได้นานขนาดไหน ถ้าทำตัวดีๆไม่ไปกินเหล้าไม่ไปสูบบุหรี่รับกินอาหารดีๆที่ไม่ไม่เป็นผลต่อมะเร็งเนี่ยมันก็จะอยู่ได้เป็นปีสองปีนั่นแหล ะ, ะถ้าไม่รักษาถ้ายังไปนั่นอยู่มันก็ประมาณหกเดือนโอ้โหยมพอหมอบอกเท่านั้นแหละโยมกลับมาบ้านนอนร้องไห้โยมร้องไห้เป็นโรคมะเร็งอยู่ได้สามวันตาย หมอบอกว่าอย่างเลี้ยวหกเดือนเนี่ยพอมาตอมใจนั่นคือใจที่ที่เรียกว่ามันไปตอมใจพอตอมใจเปโรค ก, กำเริบตายเลยสามวันตายเนี่ยกิจเราของเราเป็นอย่างนั้นเองมันเป็นลักษณะแบบนั้นนะอันนี้อันนี้คือสภาวะที่เรียกว่าเราพยายามทำกายานุปัสสนานี่ให้มันให้มันดีๆนะ ทำเลยเอาเหมือนท่านว่าอาจารย์มหาสุลินท่านบอกนั่นแหละอย่าไปสนใจอย่างอื่นเอาหลักมันเอาหลักนี่คือหลักนี่คือฐานถ้าเราไม่ทิ้งหลักไม่ทิ้งฐานเนี่ยมันไม่หลงนะมันไม่หลงนะโยมความหลงเนี่ยมันมีได้สารพัดเลยโยมเลยหลงอารมณ์เหมือนคนเมาเราอนดนาไม่ได้ก่อนเนี่ยว่ปฏิบัติอยู่หลวงพ่อจันทรย คนหลงเยอะแยะเลยนะโยม ห, snaps, หลงอารมณ์หลงแบบหลงจนกลับไม่ได้ก็มีต er. ้องเข้าจิตเวทหลงเพราะฐานไม่ดีนี่เข้าจิตเวทกันหลายคนนะหลายที่ที่ปฏิบัติปฏิบัติยิ่งปฏิบัติมากยิ่งปฏิบัติเข้มโอกาสที่จะหลงเนี่มีมากถ้าเราไม่ม evet. <ishing> ีฐานนะอย่าทิ <sk> ้งฐานอย่าทิ้งกายานุปัสนาเอาแค่เราเดินไปไหนมาไหนทำอะไรรู้ กำหนดรู้ได้เดินกินข้าวใจในอาหารเนี่ยอันนี้ก็คือที่อาจามาเห็นโพชณีมัสยันยุตานี่ครับตอนที่ปฏิบัติยุบหนอพ้องหนอเนี่ยโยมคือเห็นสภาวะนั่งตรงหน้าพระอาจารย์พระอาจารย์บอกไง อ, อาจารย์สอนกรรมฐานกินข้าวเนี่ยกำหนดหรือเปล่ากําหนดเชียวยกใส่ปากเชี่ยวกินกำหนด เออเราก็ลอง ท, อทําดูทําพอตักจะตักข้าวใส่ปากเอาช้อนตักกําหนดยกขึ้นมาจำนวนอ้าปากเชียว ก, กําหนดทุกเลบทกําหนดไปกําหนดมากําหนดทุกวันทุกวันทุกวันวนี่ยยศมันมีอยูว่วันหนึ่งที่ที่เห็นสภา ว, วะโภชฌนมัตตัญญาต์นย่ยคือกายที่มันสํารวมกินน้อยนอนน้อยทํา ม, มาก อันนี้เป็นคําพูดนะแต่สภาวะที่มันเห็นเนี่ยพออยู่ที่นั่นนโะยนมอาหารหลักก็คื อ, อส้มอพการดองประกาดรกาดองกับปลาซิลกับข้าวต้มปาซิลแล้วก็บางวันก็จะมีปลากระป๋องนอกจากมีอาหารพิเศษที่มีเจ้าภาพเข้ามาช่วยก็จะเป็นอาหารอย่างอื่นส่วนมากจะมีแต่ปลาอพการกระป๋องทีนี้พอวันวันที่มันจะเห็นสภาวะนี้ เข้าปากกำหนดป๊บพอกินผักกาดดองถูกปากป๊บเปียวุเป้ยแต่พอกินแบินี้ปบอร่อยเอาโอนี่มันเป็นความพอใจไม่พอใจเลยอาหารในชิ้นเดียวกันน่ะตอนแรกบอกมันเปรี้ยวไม่พอใจแล้วแต่พอกินเข้าไปอ็อร่อย เอ า, าเฮนะ้อาหารชิ้นเดียวทําไมมันเป็นไปยสอนโอ้นี่และสภาวะจิตของเราเนอะอาหารชิ้นเดียวมันเป็นเลยทีนี้พอเห็นตอนเช้านี่ไม่ต้องเลยพอตอนเพลมาอีกพอตอนเพลินมาตักอาหารวันนั้นตักอาหารชันเสร็จปุ๊บโอ้ยแน่นท้องเลยแน่นขานอาหารวันนั้นแน่นท้องโอ้เดินยังกลมกว่าจะจบเนี่ยวันนี้ก็แน่นนะท้องไง <c oughs> กนเนี่ยตุเรียนสอนช่วย <c oughs> าาการกรกสินฮะเอาอีกโอ้โหของชอบแต่การมารู้ว่ามันแน่นอยู่แล้วไปเดินจงกลมทําความเพียรชั่วโมงมันจะค่อยยุบยุบยุบยุยยุบคือพาเรามีสติปุ๊บร่างกายเราทําหน้าที่เองอาการต่างๆที่มันเป็นฉะนั้นอย่าไปกลัวอาการอย่าไปกลัวว่ากินน้อยนอนน้อ ย, อ ย, อยจะทําอะไรมากอย่าไปกลัว เอาสติเป็นใบบุกเบิกบุกเบิกเอาสติเอาความรู้สึกตัวน่ะเป็นใบเบิกทางถ้ามันผ่านขณะที่มันเป็นเนี่ยโอ้โหมันจะไม่กลัวอะไรเลยนะประสบการณ์นี่มันมันมันมีคุณค่าตรงนี้นะโยมนแล้วพอที่เจ้าทมาบอกว่าพอพอมันแน่นตุ๊บมันก็มาคิดเอาเอาพุงนี้เราจะไม่เอาเยอะเอาข้าวสองตะพีพอในบ้านเนี่ยเอาข้าวสองตพีพอตักข้าวสองตะพี พอไปฉันปุ๊บยังฉันไม่ได้หมดเลยอิ่มบอกอิ่มแล้วอิ่มฝืนกินพอฝืนกินไปปุ๊บแน่นท้องออู๋ไม่ได้แล้วทีเนี้ยพมฝืนกินถ้าบอกอิ่มแล้วเนี่ยต้องอิ่มวันหลังมากะถ้ามันบอกอิ่มเนี่ยแกกินน้อยกินมากไม่เกี่ยวอิ่มก็คือยอิ่มมันอยู่ได้ไม่ไม่ไม่ไม่ตกไม่กังวลไม่ไม่หิวไม่อะไรนะ เพราะมันเห็นอนนี่แหะคือสภาวะของสภาวะที่ศีลมันรักษาแต่มันรักษาไม่ได้นาไม่ได้ไม่ได้ไ ม, ไไ ม, ไม่ไม่ได้อยู่ตลอดนะถ้าเราไม่มีสติถ้าเราไม่เจริญสติต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเดิมๆนั่นแหละเขามาใช้ชีวิตเหมือนเดิก็เป็นเหมือนเดิมนั่นแหละอยาบดเก่าๆอะไรก็เป็นมัน เ, น เ, ก, เนนก่าๆนั่นแหละแต่ถ้าพอเรามาเดินจกกงกรมมาทําความเพลี่ยนแล้ว เราจะเห็นแล้วว่ามันมันความสำรวมระวังเนี่ยมันเป็นมันเป็นเมื่อขอให้มีสติอย่างเดียวมันเป็นแล้วมันใช้ได้แล้วอันนี้นี่แหละโยมมันนั่นน่ะคือคือเรามีกายานุปัสสดางเดี่ยวมันจบมันจบทุกเรื่องแล้วสถานการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติเนี่ยยิ่งเรากําหนดสติรู้ได้มากเท่าไหร่มากเท่าไหร่ผ่านทุกอารมณ์เนี่ยโอโยม มันจะเรียกว่าไม่กลัวอะไรเลยไม่กลัวอุปสรรคไม่กลัวอะไรเลยนะเพราะอะไรเพราะเมื่อสติมีกำลังเนี่ยมันผ่านมันผ่านมันมันผ่านแล้วมันเห็นเห็นเห็นสภาวะสภาวะที่มันเกิดแล้วถ้ามีสติดีๆเนี่ยมันจะบอกทุกเรื่องนะบอกทุกอย่างที่ที่มันเป็นเพราะเหตุอะไรมันเกิดมาจากไหนเพราะอะไรเราจึงเป็นถ้าเรารู้ตรงนี้ปุ๊บ เพียงเราคิดปั๊บเราจบเลยอ้าวต่อไปถ้าคิดแบบนี้มันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นหยุดนะหยุดนั่นแหละเขาเรียกว่าตุวรสมุทไทยนะรู้สมูทไทยเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเราคิดเรื่องแบบนี้ต่อไปมันจะเป็นเรื่องเรื่องจะเป็นนนท์เป็นนี้เนี่ยตัวสติขอให้มันได้ชัดจริงๆขอให้มันได้มากจริงๆโ ย, ยมถ้ามันได้ชั ด, ไ ด, ไ, ดได้ได้ได้ตัวนี้แล้วเนี่ยอารามานี เห็นบางคนนะโยมเห็นบางคนที่โอ้บางทีมาปฏิบัติมันไม่ไอยู่ที่การอยู่ที่เวลาไม่ใช่อยู่ที่มันไม่ได้อยู่ที่การอยู่ที่เวลาอยู่ที่เราสำรวมระวังตัวเราเองได้ไหมนะโยมอย่าไปให้ตาหูจมูกลิ้นเนี่ยรับขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยเดินที่เราอาจะมาเดินอยู่อยู่อยู่เจ็ดสี่สิบห้าวันนะโยมห่างกันแค่ศอกเดียวหันหน้าเข้าหากันเนี่ย ไม่ได้มองหน้าเขานะไม่ได้มองไหนมองเท้ายืนนายืนนาอยากกลับนาอยากกลับมองที่เท้าอย่างเดียวกลับก็มองทเท้าอย่างเดียวยพอสำรวมระวังอย่างนั้นเนี่ยเยมมันถึงเร็ว <Yeah. S 1> เราสำรวมได้มากเท่าไหร่การปฏิบัติเราก็ไวเท่านั้นนะ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> สังเกตนาโยม ถ้าเราสํารวมระวังคนมากยิ่งดีอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวว่าโอ้ยคนมากฉันไม่ชอบคนไม่ใช่หรือไม่ใช่เลยยิ่งมากยิ่งดียิ่งปัญหาเยอะเรากลับมามีสติได้เร็วเท่าไหร่เราก็ยิ่งจะฉลาดมากขึ้นรู้จักหลบจากหลีกรู้จักวามากขึ้น น, นะโยมนะอนนี้เราไม่เห็นโยม อ, อาณานี่เห็น ถ้าเราสังเกตเนี่ยโยมนอนตื่นขึ้นมาวางวันทำไมมันตื่นง่ายตื่นขึ้นมาบางวันทำไมมันตื่นยากสังเกตไหมรู้ไหมมันยากเพราะอะไรมันง่ายเพราะอะไรเวลาตื่นนอนะหัดพอตื่นนอนปั๊บกระพริบตาอาปากหายใจกระยับแขนกระยับขา กำหนดสติสะก่อนจเจริญสติซะก่อนก่อนที่จะไปไหนมาไหนจะไปล้างหน้าแปรงฟันอันอื่นเอาไว้หมดเอาวังไว้ก่อนจเจริญสติซะก่อนสังเกตดีๆแม้กระทั่งลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยตื่นขี้มาปุ๊บโอ้ยอึดหายใจอึดอัดมันโอ้ไม่ไหวเรายกมือจนกระทั่งมันหายไหมได้ไหมถ้าเราสังเกตตรงเนี้ยเราจะรู้เลยรู้สาเหตุด้วยยศ อาดามาสังเกตพอตื่นนอนขึ้นมาปุ๊บเฮ้ยวันนี้ทำไมมันตื่นง่ายเฮ่อเมื่อวันวันนี้ทาไมมันตื่นยากรู้สาเหตุเลยมันตื่นง่ายเพราะอะไรมันตื่นยากเพราะอะไรเพราะว่าวันที่จะตื่นง่ายกนะ่อนจะนอนทำความเพียรทำความรู้สึกตัวให้ดีๆเป็นชั่วโมงสองชองั่วโมงถ้ามันอยากนอนจะไม่นอนนะ ถ้ามันอยากนอนจะไม่นอนเดินจนกระทั่งความง่วงมันไม่รัวไม่อยากนอนมันหายแล้วไปนอนจะ ก, กี่ชั่วโมงก็ช่างเนี่ยแล้วพอตรงนี้พอพอเราทําแบบนี้ปุ๊บเราจะรู้เลยเนะวันไหนที่สมมติว่าอดมามะแล้วชัดเจาะอีกอย่างหนึง่งชัดเจาะคืออดามานี่ต้องตื่นตีสามนอนสามทุ่มตื่นตีสามต้องทําแบบนั้นตื่นก่อนไม่เป็นไร แต่ไม่เกินตีสามพอเราทำอย่างนี้ปุ๊บตอนเย็นๆก็เดินอย่างกลมตรงมาเพียนก่อนนอนทุกวันเนี่ยมันจะนั่นเลยเห็นเลยเห็นความง่วงไงเดินเคยนอนสามทุ่มาแล้วพอถึงสองทุ่มสองทุ่มกว่าง่วงง่วงแล้วเป็นไงพอไปนอนปุ๊บ วันนั้นอะตื่นไม่อยากตื่นเลยวันนั้นเดินถึงเวลาตื่นก็ไม่อยากตื่นงัวเงี้ยงัวเงี้ยโอ้ยปวดเมื่อยไปทั่วเลยรเรอะไปไม่ได้อ่าไม่ได้แล้วนะพอว่าหลังมาอีกถ้เราทําตามมันอีกพอถึงสองทุ่พอถึงทุ่มครึ่งปุ๊บ ง, ง่วงไปนอนโอ้วันหลังเนลูกยากวันหลังมันจะเลื่อนไปเรื่อยได้โยมนะกิเลศเนี่ยแค่ความ ง, ง่วงเนี่ยตอนแรกมันง่วงสองทุ่ พอรนอนให้มันว่าหลังมันง่วงหนึ่งทุ่มพอว่าหลังมันมันง่วงหกโมงเย็ยนแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่เยเราเป็นแบบนั้นเลยเหมือนกันโยมตื่นขึ้นมาปุ๊บนี่ยพอเราเดินจงกรมทำความเพียรมีสติดีๆป๊บนอ น, นตื่นเช้าอุ้ยสบายเลยปึ๊งลงเบาพอเรานอนก่อนนอนเนี่ยถ้ามีสตินอน แล้วจะไม่ฝันเมื่อไม่ฝันเนี่ยมันส่งผลต่อการนอนนะโยมหลับสนิทแค่สามสี่ชั่วโมงผ่องใสและหน้าตาหน้าตาผ่องใสจิตใจจะมีตัวขึ้ น, นมาจเจริญสติจับความรู้สึกได้ง่ายเร็วเนี่ยอันนี้แหละโยมทุกกิริยาอาการให้เรามันสังเกตให้เรามันดูเราจะเห็นเห็นว่าถ้าสติ สติมันจะไปแก้ไขทุกอาการการพูดก็เหมือนกันโยมเราไม่เห็นโทษเะเราไม่เห็นโทษของมันเห็นไหมเมื่อเมื่อเมื่อเมื่อคืนอาจารย์สลิมท่านพูดโอ้โหคิดเรื่องปลูกแต่งโมยอย่วทั้งห้าสิบนาทีดีนะรู้นะโยมว่าห้าสิบนาทีมันไม่คิดทั้งวัน เราสังเกตไหมพี่โยมเวลาเราเดินจงกรมเวลาเราได้อารมณ์เวลาเรามีเสถียพอเราจับความรู้สึกตัวได้แต่อน่าต่อเนื่องสักสิบนาทียีสิบนาทีปั๊บมาแล้วเทียดแล้วโอย้ยอยากเทศยดทั้งเทศยดทั้งสอนทั้งโอ้ยไหลมาแล้วความรู้ไม่รู้มาจากไหนไหลไหลไหลไหเราทำตามมันเราเร า, เราห้ามมันส่นมากจะไปกับมันเอาโอ้ยเรารู้ธรรมะแล้วเราเข้าใจแล้ว มีภาควิจารนสติที่มันเห็นนะมันจะบอกอุ้ยนี่มันอารมณ์มีภาควิจารนไปตามมันทําไมเรามาหาสติไม่ใช่เลยจบเลยนะถ้าตัวนี้ถ้าสติเราดีเราบอกแค่นี้จบเลยนะจะไม่ไปอีกเลยแล้วถ้ามันมาเป็นความรู้จริงๆเนี่ยถามว่าพอพอให้มาพูดตรงเนี้ยลืมไอ้ที่ที่อดมันที่อิดวันนั่นแหละ เอามาพูดไม่ได้เลยที่นี่นั่นแหละสภาว่าอารมณ์แต่ถ้าเป็นได้จากสติจริงๆถ้าเป็นของจริงน่ยให้มานั่งพูดเดียโหยิ่งพูดยิ่งไหลไหลไหลไหลออกมาความรู้ที่มันเป็นที่มันที่มันได้จากสติจริงๆนะไม่ต้องจำอะไรมาเลยพออย่างจะพูดป๊อเนี่ยไหลไๆๆๆหลไหลหลหลออกมาเลยไอตัวสติที่มันที่มันเป็นความรู้แล้วก็ไม่ลืมเ ถาได้จากการเจริญจากสภาวะของสติจริงๆเนี่ยอย่างเช่นที่อาจามาบอกว่าสติที่มันสอนตั้งแต่ตอนได้ปฏิบัติเจ็ดวันแรกเนยจําไม่ลืมนะแล้วที่ได้รูปน้ําครั้งแรกก็จําไม่ลืมนะสภาวะใดที่ได้จากสติจริงๆเนี่ยมันไม่ลืมนะมันไม่ลืมตรงนี้แหละโยมฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติเนี่ย มันมีหลายๆสิ่งหลายอย่างที่ที่ที่มาเกิดขึ้นกับเราเราหลงหลงหลงโกรธหลงโกรธเนี่ยยังเห็นง่ายนะยมหลงโกรธหลงโกรธนี่ยเห็นง่ายแต่เวลามันโกรธมาเนี่ยลมเคยไหมเออมันโกรธเหรอไหนลองมีสติดูที่มันจะนานเท่าไหร่ความโกรธโกรธเรื่องอะไรกำหนดอย่างไงโยมทำให้ความโกรธนั้นหายให้ได้ ถ้าไม่หายจะไม่เลิกจะสงชั่วโมงสมชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็ตามมาอยู่กับความมีสติมีสติทุกเก้าทุกเก้ า, ท, กกาทุกเก้าเนี่ยนั่นแหละโยมความโกดตัวนั้นชนิดนั้นจะเบาแล้วพอเจอกันได้หลังปับ๊บเราก็หนดต๊บหายในที่สุดหายไม่มีอีกพิสูจน์ได้นะตัวตัวสติของเราตัวเนี้ยความไม่พอใจเนี่ ย, ยเหมือนกันความไม่พอใจเนี่ยพอไม่พอใจปุ๊บ เรา ม, ามีสติกำหนดรู้กำหนดลูกำหนด ja, รหายนะสภาพแบบว่แบบนี้แหละโยมมันเป็นของจริงๆเนี่ยเอาพูดบาชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยจะฟังอีกไหมหรือจะเลิกถามก่อนถ้าเบือ่อก็บอกว่าเบือ่อนะ <c oughs> จะได้เลิกไม่การพูดมันต้องให้ผู้ฟังพอใจด้วยถ้าคนฟังเบือ่อ อตาตมไม่เว้ละเพราะอะไรมันเป็นแค่สมมตินะโยมนะผู้ชมกันฟังเฉยเฉยโยมนี่ถ้าไม่มีสมาวะจริงๆเนี่ไม่เข้าใจดอกพูดอยู่นี้ก็ไม่เข้าใจมันต้องมีประสบการณ์จริงๆนะโย ม, มันเราถึงจะเห็นว่าอ๋อมันเป็นจริงเนี่ยตรงนั้นแหละโยมตรงที่ว่าพูดเนี่ยมันเป็นแค่สมมุติอย่าไปจําแต่เอาไปทํำนะไม่ใช่พูดให้จํา ผู้ใดทำทำคือให้มีสติทำยังไงจะมีสติต่อเนื่องมีความรู้สึกต่อเนื่องแค่นั้นพออาณาจักนี้ไม่เคยไม่เคยที่จะหลวงพ่อจะรันพูดอย่างนั้นหลวงพ่อเทียนพูดอย่างนี้หลวงพ่อคำเขียนเทศอย่างนั้นรูปยังไนี้รูปนามเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างนี้ดยทไม่เคยเอามาใส่ใจเลยนะเี๋ยวมีนาทีอย่างเดียวหลวงพ่อคำเขียนบอกว่าหลับงูหลับตาทำไปก่อนทำแบบงูงู น่าจก็ทำแบบโงโงๆอย่างนั้นแหละโยมเอ่อทำไปแ ต, แต่แต่ก็อาศัยว่าเก็บอารมณ์นะถ้าไม่ได้เก็บอารมณ์เนี่ยไม่มาถึงนี่ดอกโยมไม่ไม่มาเพราะว่าการเก็บอารมณ์เน่ยมันทําให้เห็นเห็นเห็นสภาวะเห็นเห็นสติที่มันชัดเจนโอ้ตอนตอนตอนที่เห็นตรงนั้นยังวาดด้ยมาคิดว่าเห็นชัดแล้วนะ พอมีอยู่วันหนึ่งที่ตอนที่อาตมาเห็นตอนยุงกัดแล้วเพราะว่าหลังมาเนี่ยตื่นขึ้นมาปุ๊บพอนั่งเจริญสติไปเจริญสติไปแล้วทีนี้ชิดจะไปจะไปล้างหน้าจะไปล้างหน้าแล้วเอื้อมมือจะไปหยิบไฟฉายพอเอื้อมมือจะไปหยิบไฟฉายปุ๊บสติมันก็บอกว่าเจ้หยิบไปฉายทําไมไม่กําหนดรู้ล่ะโอ้มันลืมเลยนะพอลืมปุพอยื่นมือไปปุบ โอ้โหสติที่มันมันมันชัดเจนเนี่ยวิ่งปึ๊บเห็นเลยนะจากน้วไหลมาที่มือปัอ้สติตอนนั้นยังว่ามันชัดแล้วนะแต่มันยังแยกกายแยกใจไม่ได้นั่นนั่นไม่ใช่ตอนนั้นเข้าใจมันชัดมันแสดงอาการให้เห็นเฉยเฉยคิดว่ามีสติชัดแล้วแต่มันไม่ใช่ลวงว่าจารย์เนี่ยโอ้ยสติมันไม่ชัดสติมันไม่ชัดเนี่ยฉะนั้นโยเวลาเราปฏิบัติเนี่ย โกรธก็ตามไม่พอใจก็ตามอย่าไปเอามาเป็นความถูกความผิดอาตมาเนี่ยโอ้ยถ้าเป็นคนขี้โกรธเไม่ได้มาถึงขนาดนี้หรอกโยมถ้าเป็นคนขี้โกรธนะโกรธแต่มันหายเร็วไม่มีหลอกที่ไม่โกรดนั่งอยู่อย่างนี้นั่งทำวัดอยู่อย่างนี้กับหลวงพอ่อนั่งข้างหลวงพ่อจันลันนั่งลับหลวงพ่อจรันกระรูวมันง้วนทำไ ม, ร, มรัวมันง่วนทำไมไม่แก้ แล้วก็นองไปมองไอาหางแถวไปเอ้ามันนั่งรับทุกคนทำไมใส่เราคนเดียวแล้อาจารย์รู้ว่ามันรับเนี่ยทำไมไม่แก้โอหลวงพอ่อโกรธไม่ยอมนะขอย ไ, ไม่พอใจแต่สภาวะความโกรธนี่แหละโ ย, ยมที่เห็นชัดเจนเลยฉันข้าวเสร็จปุ๊บหลวงพ่อจรั์ก็วันนี้ ไปขนเสไาไฟเสาไฟเสาล้อหน่อยเด้อเพราะว่าจะสร้างกำแพงใช่ไหมไปทุบเสาลวอปูนเก่าทิ้งแล้วก็กองไปเรียงแถวไว้บอกให้ใช้ใหัตมาได้ไม่ใช้คนอื่นเนี้สวนข้าเสร็จก็ไปขนเสาโป้นหน่อยโอ้หลวงพ่อเจร่นอะไรใช้แต่งานแต่งานบวชมาไม่ได้มาทำงานเน้ยเนี่ยมันว่าในใจโคตรได้โดยนเป็นฟืนเปนไฟเลยนะ โ อ, โ, โ, อ โ, โอ้โหโกดเกิดโกรธหลวงพ่อจะรันเตะเตะไปทํางานโกรธก็ไปไปทํางานขนขึ้นขนเสาไฟขึ้นป๊บเที่ยวที่หนึ่งก็ขนไปคนเที่วยว้ี่สองขนไปพอเที่ยวที่สามกำลังจะยุบเสาขึ้นรถแค่นั้นแหละปุ๊บไอ้ที่มันขุนที่มันโกรธอยู่ในใจมันหลุดปุ๊บเออโอ้โเขาสอนเราดีขนาดนี้เนี่ยสอนในโกรธ ถ้าเขาไม่ได่าเราเราไม่โกรธเราไม่เห็นกับภาวะโอ้มันแค่เราไปยึดเอาอารมณ์นี่มายึดแค่นั้นเนี่ยมันโกรธมันขุนถ้าไม่มีจติตมันออกไม่ได้นะมันจะโกรธจะโมโหหนีเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งนี่ยโยมอย่าลืมว่าเราผู้ปฏิบัติใหม่ๆนี่มีนิวรณ์นิวรณ์นิวรณ์นี่แหละเราไม่รู้จักนะเรื่องง่ายๆก็ไปเลยนะอ่าเมื่อก่อนจะเข้ารันษานี่โยมพระ ที่อยู่กับปฐมมาสองรูปปฏิบัติโอ้ยทำพอธรรมวัดเย็นเสร็จปุ๊บเดินยมกลมจนถึงหทุ่มโมกทุ่มแล้วถึงนอนความเพียรสุดยอดกลางวันทำการทำงานโอ้ยขุดหญ้าขุดเอาลากขึ้นเลยนะไม่ใช่ตัดหญ้าเอาลากขึ้นไม่เหนือ่อยไม่เหนื่อยทำงานได้ตลอดเวลาเนาะแต่เวลาจะเป็นเป็นยังไงโยมเป็นยังไงในเดียวคือวันนี้จะเป็นนั้น ก็อยู่บนสลาท่านจะไปตีละครแล้วอีกรูปหนึ่งรูปนั้นก็ปฏิบัติดีปฏิบัติขยันทำโวมเพียรเก่งพอเดินมาจะไปลวงพี่ลวงพี่อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปรอพระนั่นก่อนเดี๋ยวให้เข้ามาวควงค่อยไปกไปพร้อมกันไม่ผมมาไม่มาก็ชจางผมไปคนเดียวก็ได้ผมนี้ก็ไปเลยเถอะผมไม่สนไม่ไปหรอกไม่ต้องมาหรอกยุ่งยากผมไปเอง องนั่งจะไปเลไรยูไปบินทาบาทกลับมาอยู่พอกลับมาปุ๊บเอาข้าวมาเทเทใส่ใส่หมอ้อไปนอนไม่ไหฉันข้าวองนี้เอาแล้วโยมองนี้โอ้ยเขาโกรธแม่ผมผมว่าเขาผมบอกเขาเขาโกรธแม่ผมผมไม่อยู่แล้วผมไปแล้วผมทําให้เขาโกรธโอ้หลวงพอ่ออย่าพึ่งไปอยู่ก่อนไปถามกันทำไม่เข้าใจมารู้เรื่องก่อนแล้ย๋ยวก็ไปไม่ไม่แล้วผมทำ เรียกรถปิกอัพมาขนของหนีตอนเช้าน่ะเลยฉันข้าวเสร็จโยมอาตมาก็ไปถามองนั้นว่ามีเช้ามีอะไรกันเรื่องอะไรกันมีเรื่องอะไรอะไรทำไมไม่ไปฉันข้าวทะเลาะกันเรื่องอะไรอ่ะทำไ ม, ไ, มไปฉันข้าวเมื่อคืนนี่ผมไม่ได้นอนผมเลยไม่ไปฉันข้าวเอ้าแล้วหลวงพอ่ออภิษาร์เขาว่าท่านไม่พอใจเลยหรอหลวงพ่ออภิษารไปแล้วเหรือ เอาแล้วผมจะมีเพื่อนอยังไงผมไม่มีเพื่อนเอาโอ้ยออกมี่หนีอีกแค่นี้อยู่ปฏิบัติเลยโหสุดยอดเลยไม่เหน็ตไม่เน็ตแเต่คิดว่าเขาว่าไอ้เขาโกนหน่อยเดียวนี่อ่ไม่กล้ามาหาแตมาอายเน่ยเตอาจะมารถไปรับมาอยู่อีกแล้วเอาอยู่ด้วยแล้ว ทั้งทั้งที่ก่อนมาอยู่กันมาเนี่มาอยู่กันมาพูดยังไงผมจะไม่หนีอาจารย์หรอกผมจะอยู่กับอาจารย์ตลอดตอนนี้ผมไม่หนีไปโดนแค่เนี้ย เ, เหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อว่าไปหลวงพ่อไม่หนีผมไงพ่อไม่ได้หรอกผมม่าให้เขากดแล้วผมอยู่ไม่ได้ไปเลยโยมตัวนี้แหละระวังให้ดีพวกเราเนี่ยทุกคนเป็นอย่างนั้นนะนิดนิดหน่อยหน่อยนี่ไปแค่กระทบนิดกระทบหน่อยอดทนอดกลั้น นะมันมันมันภาวาอะไรมันสภาวะอารมณ์มันเป็นสภาวะจริงๆแล้วต่ภาวะแบบนี้นะ่ยโยมถ้าอาตมาเป็นเหมือนเขาเนี่ยอาตมาก็มาถึงนี้เพราะว่าปฏิบัติครั้งใหม่ๆครั้งแรกเลยอาตมาเคยพาสมณีนไปที่จังหวัดสุรินไปกับไม่ชีพงศ์ศรีพอไปถึงปั๊บหนึ่งโอ้โหห้องน้ำก็ไม่มีที่พักก็ไม่มีน้าไม่มีอะไรไม่มี้ยมาอยู่ล้วพวกนี้กลับ องค์นี้ไม่อยู่คิดจะกลับพาสมานิยธรรมเนียมสองลูกคิดว่าจะพากลับแต่พอเราทําความเพียรเราเราทำมันกลับมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ความเพียรอย่างเดียวดอกโยมมันกลับไม่ได้มันไม่มีรถกลับมันนอกมันนอกต้องไปดูแบบเดีนไปแต่ไปก่อนไปไม่ได้นะแต่ไปไปแต่ไปเดียนใจไปไม่ได้นะใช่ไหมตรงนั้นโอ้โหไม่มีรถกลับอ้าอยู่พออยู่ไปอยู่มาอยู่จนครบเก็บวันอ้าว มันตอนมันสงบนะสงบเป็นปกติแล้วเนะี่ยโอ๊ยแต่เราเชื่อความคิดของเรานี่เรากลับแล้วเราจะเป็นคนกลัวเด้กลัวอุปสรรคทุกอย่างถ้าเราเชื่อหม่มนะ่เนี่ยโยมเราเชื่ออะไรเราไปปับนะ๊บมันจะกลัวละกลัวทุกอย่างกลัวความง่วงวกลัวความเบื่อความเซ็งกลัวความยากความระบาดกลัววนะัตมาเนะี่ยโอ้โชคดีเนาะเราไม่ไปทาตามความคิด ที่มันเพียงจะกลับมันจะกลับเลยเนะี่ยตรงนั้นนี่อาจะมาเห็นโอ้นี่เด้นี่วอนตัวนี้วอนตัวลังเลสงสัยตัวเลยฉะนั้นเวลาครูบาอาจารย์พูดอะไรอย่าไปสักมากยุมนั่นแหละลังเลสงสัยยิ่งสงสัยยิ่งถามยิ่งยุ่งยิ่งถามยิ่งมีปัญหานะปฏิบัติเอาเดีมีจิตตุกเก้าทุกขก่าทุกข์เก่าอย่ า, าไปถามมาก แล้วทีงงเลยเวันนั้นพระใหญ่อะไรถามเรื่องสุญยตาเลยไม่ถามทำไมปอหนึ่งยังไปไม่เปลี่ยนเลยจะไปเอาปริญญานะเาลยแบบรู้เลนปริญญาคือปอหนึ่งนี่ทํายังไงเราจะมีสติทุกก้าวทุกข้าวทุกข้าวทุกข้าวเนี่ยปอหนึ่งแล้วมันจะพัฒนาไปเองมันจะเลื่อนชั้นขึ้นปอสองปอสามปอสี่ปอห้า จนมัะยมเองเพียงแต่รู้สติต่อเนื่องทุกเก้าทุกเก้าทุกเก้าทุกเก้าเนี่ยมันทําหน้าที่ของมันเองโยมเนี่ยเห็นไหมตัวนี้แหละคือสติเราเน่ยมันจะเป็นมันจะทําหน้าที่ของเราของของเขาเองเนี่ยมันมันไม่ต้องไปให้ใครบอกดอกเรายิ่งตภาวะไอ้ที่ที่ทกันหนึง่งที่มันเห็นชัดเจนนะโยมโยมที่เรามาเห็นชัดเจนเนี่ยเขาด่า โยมเขาดา่นั่งอยู่ด้วยกันเนพระด้วยกันนี่แหละคือคือท่านก็อยู่ธรรนักเดียวกับอาจมา น, นี่แหละแต่เวลาเวลาท่านไม่อยู่อาจามาจะพูดเรื่องท่านดังงุน่างงาี้พูดพูดแล้วทีนี้โยมที่อยู่ในวัดก็หลายคนใช่ไหมเขาก็ไปเล่าให้ท่านฟังอะไรท่ว่าไม่จานท่านแล้วอันนั้นดังงนุนดังงี้โอ้พอกลับมาทอนนั้นเลยโยมตอนนั้นนั่งอยู่ในห้องกับมานะด้วย พอมาถึงเขานั่งคุยกันแนห้อนัะนมึงเนี่ยไอหมาลอบกัดกูไม่อยู่นะมึงว่ากูทุกยโกรธเลยนะหยมความโกรธขึ้นพอโกรธขึ้นปุ๊บเน่ยเอ้ยมันมันมันมันไม่ได้โกรธเหมือนเหมือนเหมือนเมื่อก่อนนะสภาวะที่มันจะเห็นเนี่ยมันเป็นอาการขุนของจิตขุนขึ้นมาเหมือนน้ําขุนขุนขึ้นมาค่อยๆขุนขึ้นมาจะแรงขึ้นแล้วขึ้นเอ้ยมันจะโกรธ่ะดูปั๊บพอดูปั๊บ ไอ้ที่มันเป็นคนขุนก็ยุบลงยุบลงเออเว้ยดีเว้ยเขาด่าเราไปโกรธด้วยในหัวเราะตัวเอ ง, เาาองนั่งเขาด่ากันไงนี่ั่งบองมันไม่ได้มองเขาไงมองตัวเองเออเว้ยเขาด่าทำไมมันไม่โกรธว่าโอ้สติมันดีอย่างนี้นะเพราะเขาไปเท่านั้นแหละโยมเขาด่าเราไม่โกรธแล้วนั่งยิ้มอยู่แบงนี้คนด่าเราจะด่าได้ไหมโยมเขาไม่อยู่ไปได้ก็ก็ไป พอเขาไปเท่านั้นแหละโยม เ, ยเอ้ไอคํานี่เขาด่านะขึ้นบู บ, บู บ, บูบเอ้เอ้มึงบ้าแล้วเมื่อกี้เขาด่าไม่โกรธว่าเขาไปโกรธเมื่ขึ้นนะเอ้ออะไรเมืม่อกี้เขาด่ามึงไม่โกรธตอนนี่พอเขาไปแล้วมึงมาพุ่งมาแต่งอเอาแล้วขึ้นบู บ, บูบบบต้องไปเดินจงกรมทําความเพียรยุบลงยุบลงยุบลงเนี่ยลักษณะมันเป็นอย่างนี้แหละโยมนะอ่ะก็ทุ้มรึ่งแล้วก็จงวงขกวานะก็เอาตัวนี้แหละโยมเอากายานุปัสสนาให้ดี ทำกายานุปัชนาให้ดีแล้วสภาพระอื่นๆมันจะเห็นเองมันจะเรียกว่ามันจะเป็นของมันเองมันทําหน้าที่นายโยมมันทําหน้าที่ของมันเองนะถ้าทําหน้าที่แล้วมันก็จะเราจะมีประสบการณ์อย่าไปกลัวสถานการณ์โยมอย่าไปกลัวความว่งอย่าไปกลัวความเบื่อความเสี่งอย่าไปกลัวอะไรทั้งหมดขอให้เรามีสติมันทําอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็หาวิธีอย่างนี้ให้คือคิดคิดคิดบวกโยม คิดบวกให้เป็นพอมันง่วงเออพอมง่วงนี่เอ๊ทายังไงจะหายครับพอมันเบื่อมันเสงิงเอ๊มันเบื่อมันเสงิงไหนจะทํำยังไงมันจะมันหายเออมันเทีมันสอนอ๋อวันเราไปดึงไปเทศยบไปสอนทําไมมามีสติมือบอกอย่างเนี้ยบ่อยๆบอกบ่อยๆคือคือมองในเชิงบวกอย่าไปเอาในเชิงลบลบคือ โอยมันง่วงนะไม่ไหวไม่ไหวว่าวันนี้กินข้าวอิ่มแล้วเกินไม่ไหวไม่ใช่ในนั้นมันเราไปทางลบแล้วเราจะคิดลบกับเราตลอดแล้วแต่มันพอมันง่วงเพราะเรากินข้าวเยอะเออมันแน่นท้องไหนมีสติด้วยเป็นใหม่ๆเดินตอนปฏิบัติใหม่ๆรู้ไหมโยมเราอยู่จันทบุรีเนี่ยอยู่จันทบุรีบางค้าแหละบางค้าเรื่องนองค้านองค้าเนาะส่วนเนี่ยคือเวลาเดินจงกรมเนี่ยเอื้อมออกมาข้า พอฉันใบ ป, ปุ๊บเริ่มออกมาครับเอาเดินไปเดินมาเดินไปเดินมายุบยุบยุบหายคือมื่เรามันเป็นอะไรก็เดิ น, นเงือนนั่นแหละทำคนเปนนลี่ยนเงนเลยมันก็หายอันเนี้ยคือสถานการณ์ทุกอย่างถ้ามีสติแล้วมันจะค่อยเปลี่ยนไปอีกด้านหนึ่งจากที่เราเป็นอยู่มันเป็นปกติมันจะมาบรรเทาความปกติความปกตินี่คือมีสติแล้วมันเปลี่ยนได้อันนี้แหละเนาะก็ขอฝากข อ, อนันก็พูดเพื่อให้กำลังใจ เราทุกคนนะมีทุกคนโยมมีกายกายเราเนี่ยถ้าเรายกน้ําหนักบ่อยๆยกมากว่าเราก็มีสามารถที่จะเป็นนักยกน้ําหนักได้เราวิ่งมากๆเราก็สามารถมีกําลังได้ทุกคนมีคุณค่ามีสติเหมือนกันมีกายเหมือนกันดูที่ว่าเราจะทําความเพียรได้มากไหมเราจะมีสติต่อเนื่องไหมแล้วสติจะมีน้ําหนักมากไหมแค่นั้นเองถ้ามีสติมากแล้ว ตัวสติที่มีน้ำหนักมันจะไปตัดอารมณ์ที่เราปฏิบัติอยู่นะขาดขาดแล้วก็มีแต่สบายมีแต่เบ า, ม, เบามีแต่สบายง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้ น, นอันนี้แหละเนาะก็ขอให้ทุกท่านทุกคนได้ประสบพบเห็นในสิ่งที่เป็นที่ประพฤติปฏิบัติอยในเวลาอันใกล้นี้ทุกท่านทุกคนเืิน